เจสังวิธานสิกขาบทแปดสิบถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกพิกษุฉัพักขี่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกันกบภิกษุนีในสังวิธานสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับวาจา